หากว่าในโลกนี้คนทั้งโลกต่างรู้จักหน้าที่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 แม่ของลูกไก่ไอาจารย์ลงทายสิคะลูกไก่จะตอบว่ายังไงลูกไก่ก็เอาไ้สุกปีกแล้วก็หากินให้ ค, คุยเขียร์ให้ลูกได้ ก, กินก็เนี่ยท่านพุทธท้าบอกว่าลูกไก่ก็จะตอบว่าแม่เหรอแม่ก็คือผู้ที่มุงหลังคาให้ฉันเก็บเวลาไงล่ะซึ่งจริงๆนะคะเพราะว่าลูกไก่เนี่ยจะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจะถูกกกอยู่ใต้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 เรียกว่าดูแลกันอย่างทนุถนอมแต่ถ้าเป็นพวกอนาคาริกเนี่ยท่านยกตัวอย่างเป็นพวกปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียนเนี่ยเขาจะไข่เรียราดไปเลยนะคะเห็นท่านบอกว่าเวลาที่เขาท้องแล้วมีไข่ใช่ไหมคะเวลาน้ำม า, มากๆเขาก็จะไข่ลาดไปเลยแล้วก็แล้วแต่ว่าไข่จะไปตกอยู่ตรงไห น, นแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นตัวไปเองครับโดยที่ลูกปลาจะไม่รู้เลยว่าแม่อยู่ไหน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 ฉันว่าลูกปูเนี่ยก็คงจะบอกว่าแม่ของฉันเหรอแม่ของช้าน่ะก็คือผู้ที่ดีแต่จะสอนให้ฉันน่ะเดินตรงแล้วแกเองอ่ะก็เดินไม่ได้น่าคิดนะน่ารักดีค่ะอันนี้แล้วก็มีแม่ของเชื้อโรคนี่นะคะครับแม่ของเชื้อโรคเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ไหนเพราะลูกเชื้อโรคเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีแม่อยู่ที่ไหนเขาเกิดเองใช่ไหมคะเชื้อโรคไม่มีแม่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 แต่คุณแม่ร้องไห้ในหนะที่เห็นเรามีความทุกข์มีปัญหาแล้วก่อนนั้นก็ในทางตรงข้ามในยามที่เราท้อแท้หมดหวังท่านก็ให้กําลังใจในยามที่เรามีความสุขประสบผลสําเร็จมีความก้าวหน้าในชีวิตท่านก็เป็นผู้ที่ร่วมพรอยยินดีด้วยความจริงใจสแสดงความดีด้วยความจริงใจไม่มีการอิจฉาลิษยาอันเนี้ย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 ความท้อแท้ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ท่านแสดงออกเนี่ยนี่คือตัวอย่างให้เราได้ศึกษานําหน้าก่อนและต่อไปเราก็จะตามหลังใ น, นหลักเชะนั้นนีสมัยก่อนผมเคยคิดว่าคุณแม่ก็คือธนาคารเบริกได้ไม่สิ้นสุดท่านมาอยู่แล้วก็เบิกได้นะเบิรจากกระเป๋าท่านเองค <c oughs> เป็นธนาคารเป็นยานพาณนหะ์ในยามป่วยไข้นี่คนที่ยกผมอุ้มผมเนี่ยคุณแม่นะ กี่ปีคะที่คุณแม่อุ้มอาจารย์มาก็ประมาณห้าปีได้นะห้าปีแรกครับที่ประสบอุบัติเหตุในช่วงที่เที่ยวโตรเวรักษาในที่ต่างๆเนี่ยคุณพ่อก็ทำหน้าที่ทำอาหารกินอยู่กับเรือคุณแม่ก็จะอยู่กับผมนะอยู่กับผมเพื่อจะพาผมไปรักษาโดยการที่รักษาหมอต่างๆเนี่ยไม่มีใครมาช่วยยกแล้วแม่จะช่วยยกยกขึ้นเตียงยกลงรถ อย่างนี้แสดงว่าสมัยก่อนคุณแม่ทองหล่อเนี่ยจะต้องตัวใหญ่กว่าทุกวันนี้เยอะเลยใช่ไหมคอ๋อใหญ่มากแข็งแรงด้วยนั่นน่ะสิครับพอดูขนาดร่างกายของคุณแม่ตอนนี้แล้วเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าจะอุ้มมาจ้ะได้ยังไงคุณแม่เป็นธนาคารเป็นยานพาหนะแล้วก็เป็นยามระวังภัยนะคเนี่ยในตอนระยะหลังๆนี่ผมไปเยี่ยมท่านเนี่ยท่านเป็นยามระวังภัยอย่างดีเลยมันมีภัยเยอะหรอไงคะอาจารย์มันไม่ยากเป็นหน้าที่ของท่านนะนะเรานอนอยู่ห่างกันแค่มองเห็นกันเนี่ย แต่เวลาตอกนกลางคืนเนี่ยท่านจะสังเกตดูเวลาเราขยัยบตัวพลิกตั้งขึ้นมาเนี่ยท่านจะลุกขึ้นเอาอะไรหรือเนี่ยถามทุกครั้งที่เวลาผมจะขยับตัวพลิกตัวเนี่ยผมจะเปิดไฟทุกครั้งที่เปิดไฟเนี่ยท่านก็จะลุกขึ้นมาถามว่าเอาอะไรหรือให้ช่วยอะไรไหมตอนหลังผมก็เลย Simmons คิดว่าเราจะพลิกตัวเนี่ยเราไม่ควรเปิดไฟเราปิดไฟดีกว่าท่านจะได้ไมีรู้เมื่อตื่นมาตอนที่ท่านกำลังนอนหลับอุตส่าหแอบพลิกตัวตอนที่ปิดไฟนะ ถ้เาเได้ยินเสียงนั้นใช้ไปฉายฉายมาที่เราบอต้องการอะไรเลยใช่ไเนี่ยเป็นยามระวังไฟระวังไฟเราไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยกระทั่งจนบัดนี้ก็เป็นเช่นนั้นนะในทางโลกท่านก็ดูแลแบบเนี้ส่วนในทางธรรมอีกด้านหนึ่งก็คือท่านเป็นผู้ให้กำเนิดรูปนามขันธ์หน้าของเราเนี่ยได้มาจากท่านเราควรจะคิดดูว่ารูปนั้นที่ท่านให้มาเนี่ยท่านคงจะไม่ให้เราไปทำชั่วไม่ให้เราไปทำผิด ขงให้เราไปทําความดีทําประโยชน์และที่สำคัญ ก, ก็คือท่านอยากให้เราไม่เป็นทุกข์สําคัญมากเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าอ๋อเนี่คือท่านสอนเราในเรื่องของทานธรรมะอันนี้ก็คือทางโลกและทางธรรมการตอบแทนบุญของท่านนี่ก็คือจะเอากายเอาจิตเอารูปนามกันท่าเราไปทําผิดทําชั่วกันแล้วกันไปทําความดีไปรักษาศีลไปให้ทานไปภาวนาเนี่ยหาทางดับทุกขให้กับตัวเรา และที่สำคัญอีกอย่างนก็คือตอบแทนบนคุณท่านโดยการให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมทำให้ท่านเนน่บค้นทุกทเนี่ยอาศัยหลักธรรมะเนี่ย